พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30กันยายน2560รมีชื่อเรื่องว่าฟ้าผ่าพระวันนี้เป็นวันที่30กันยายนพุทธศักราช2560 วันพุธนี้เป็นวันที่หนึ่งลยนะตุลาแล้วก็วันที่ห้าเป็นวันปวารณาออกพรรษาเป็นวันพระใหญ่แต่วันพระใหญ่จะไม่มีการลงอุโบสถน ะ, ะการจะทำปวารณาแทนแทนอุโบสถแต่ถ้าว่าพระที่เป็นยำพรรษา อ, องค์นั้นก็ต้องเรียนคำ ออกพรรษาอ่อยแสดงออยอุโบสถบอกปริสุทธิอุโบสถเนี่ยต้องเรียนไว้นะอต้องบอกในนามสงฆ์เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ลงอุโบสถในวันปวารณาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปวารณากันทุกองค์แต่องค์ที่ไม่ได้ปวารณาจํามาบวชในพรรษาเราก็อ สวดเอ่อใการแบบบอกปริสุทธิในวันอุโบสถนะอันนี้ก็อยากให้ขาดตกบกพ้่องนะแล้วก็ในการเตรียมการเตรียมงานพวกเราควรจะช่วยๆกันดูนะอันไหนใครทำหน้าที่อะไรในการดูแลวัดวายศาสนา ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันปรับปรุงแก้ไขใครมีหน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานพวกท่านทั้งหลายเหตุผมผมรับผิดชอบยังไงไม่ใช่ผมคิดสนุกขึ้นมารับนะบางที่ผมกเหนื่อยพอแรงก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทุกทุกอง ก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกับข้าราชการอย่างที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังตำรวจมีหน้าที่อะไรทหารมีหน้าที่อะไรพิพากษาอายการแต่ละหน้าที่ครูบาอาจารย์นักโรงเรียนมหาวิทยาลัยผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ของใครของเราทั้งหมดในการเป็นอยู่แต่พวกเรามาอยู่แบบรเร น, นัด้นด้านไม่รับผิดชอบอะไรเลย ไม่ได้นะแต่เมื่อวานนีมีพระองค์หนึ่งอยู่ในเนี่ยในหมู่เพื่อนบอกว่าผมจะขอลาศิกขานะทําไมผมอยู่ที่นี่ไม่มีเวลาเพราะมีงานมากเกินไปโถผมได้ยินเพียงแค่นี้ผมสลดสังเวชใจยอย่างมากเลยทําไมไม่พูดให้มากกว่านี้นรลยจะไล่นี้ออกวันนี้จะรวยซ้ําไปนะอะผมจะไล่นี้ออกจากวัดน่ไม่ต้องไม่จ้อง ภาวนาออกพรรษามันไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับท่านองค์นี้นะทำไมมาอยู่วัดผมถึงสองปีเปล่าประโยชน์อย่างมากๆพระอย่างนี้นะทำไมไม่คิดว่าวัดป่านาคำน้อยเนี่ยเขาสร้างมาจนถึงขนาดนี้นะ่สาาลาหลังนี้นะ่ขึ้นมาได้อย่างไรผมเคยเคยแบกไม้ แบกขอนมาจนพอแรงแต่ตัวเองมาซุบมือเปิบอย่างนี้เลยยังถือว่าเป็นงานหนักโทษโถผมว่าน่าจะประชุมสงฆ์ไล่นี้วันนี้อีกต่างหากนะทำไมมันพูดอย่างนั้นได้มีอีกไหมวงไหนที่เป็นอย่างนี้อีกมีอีกไหมในวัดเนะี่ยอย่าอยู่ให้หนักวัดนะหนีนะผมไม่ต้องการ ผมได้ยินอย่างนี้ผมสลดใจที่ผมสอนทุกวี่ทุกวันสอนให้หมู่เพื่อนเป็นคนดีเป็นคนอดทนรู้จักหน้าที่แล้วจะมาพูดอย่างนี้ว่า ง, งานหนักขนาดงานซุบมือเปิบขนาดนี้เลยยังว่างานหนักแล้วไม่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นค า, ารวะแล้วจะเป็นยังไงถ้าเป็นพระต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงกิ จ, จวัดข้อวัดพระอกนี่จะเป็นยังไงผมมองไปหมดนะ เสียที่ผมตั้งใจสอนให้หมู่เพื่อนเป็นคนดีได้ยินคำนี้ออกมาผมสลองโถดหูนะหมู่พวกเพื่อนนะมีอีกไหมให้พวกท่านทั้งหลายสืบสอบกันนะถ้ามีอีกบอกนะผมจะไล่หนีมันหมดทั้งวัดนะผมจะอยู่องค์เดียวถ้าหาพระดีไม่ได้พวกท่านทั้งหลายคิดไหมคิดอย่างผมไหมเพียงแค่นี้ เราก็ต้องหาเวลาของเราสิเวลาฉันยังหาเสร็จแล้วจะไปทําไมลบไปหาภาวนาพอตกตอนบ่ายมาเราไม่ต้องมาฉันน้ำก็ได้อยู่ตามลําพังตอนเย็นก่อนเนาะค่อยมาปัดกวาดทาความสะอาดเสร็จแล้วก็รีบไปกลับไปหาภาวนาอันนี้พวกหลบแล้วก็อดอาหารเวลาจะอดอาหารอดสิไปอยู่ตามลําพังวัดของเรากว้างยิ่งกว่ากว้างอีกผมไม่อยากจะได้เย็นนวมไม่ สามารถที่จะรับภาระได้งานมันหนักทั้งที่เดือนหนึ่งก็มาเข้าเวรน้าร้อนตัวเองก็มาฉันน้าร้อนทุกวันออแล้วไม่ไม่อยากจะมารับภาระกับหมูกับเพื่อนหมูพวกเพื่อนคิดดูสิผมพูดถูกถ้าผมพูดผิดนี่นะผมพูดผมเคยทามาแล้วผมเคยเป็นพระน้อยพหนุ่มมาแล้วเป็นเนนมาแล้วเป็นพระมาแล้ว มาถึงจุดนี้ผมผ่านมาแล้วในจุดนั้นเพราะนั้นผมได้ยินผมสลถถุดหดหูใจมันถึงขนาดนี้เชี่ยวเหลือพระรุ่นใหม่เนี่ยขี้เกียจขี้คลานหลังยาวขนาดนี้เชี่ยวเลอถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้นะบอกมานะองไหนนะรีบออกนะเพอเพอผมจะไล่พระองค์นั้นออกนอกพรรษาไล่น อ, อกเดี๋ยวนี้อีกต่างหากจะไปที่ไหนเข้าไปผมไม่มีความเย่อใหญาผมไม่มี เสียดายคำพูดของผมที่ผมแนะนำสั่งสอนมาตั้งสองปีมาอยู่ที่นี่และผลออกมาเป็นอย่างนี้นะมันน่าชโลดโหดหูใจนะพวกท่านทั้งหลายคิดไหมผมหวังดีกับหมู่กับเพื่อนแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมีอะไรปัจจัยสี่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรดูแลผมสรุปแล้วก็คือการแนะนำสั่งสอน อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวไม่มีกํามมืออยู่ในอาจารย์ผมแนะนำสั่งสอนหมดสิ่งไหนที่จะให้ความรู้ความฉลาดกับหมู่กับเพื่อนแต่มันผลออกมาอย่างนี้ผมเฮ่ถ้าจะว่าไปแล้วเฮ่ผิดหวังกับพระมีความคิดเห็นอย่างนี้เร็วๆอย่างนี้ ทำไมไม่พูดก่อนมันทำไมจึงมาอยู่ถึงถึงสองปีถึงขนาดนี้พวกท่านทั้งหลายคิดดูสิเป็นยังไงอย่าให้ได้ยินอีกนะองคไหนก็ตามถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นมาบอกไม่ต้องบอกก็ไหนลาไปเลยไปเลยแต่จะมาเห็นอย่าให้ผมได้เห็นหน้าอีก เมืองไทยมันไม่แคบเหมือนใบมะขา ม, มกว้างขวางทำไมมาอยู่ทำไมมามุดอยู่ทำไมผมต้องการพระมีคุณภาพมีคุณธรรมเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ตั้งอกตั้งใจภาวนาผมไม่ต้องการพระห่วยๆเร็วๆอย่างนี้ขี้เกียจขี้ขานหลังยาวอย่างนี้ผมไม่ต้องการ เพานนให้พวกเราท่านทั้งหลายตัวตราดูตนเองถ้าองค์ไหนเป็นอย่างนั้นอย่าให้ผมได้ไล่อย่าให้ผมได้ไล่หไไหลเหมือนหมูเหมือนหมาให้พวกท่านไปเองเลยนี่แหละถึงผมขาวเด็ดผมเด็ดนะเฮ้ไม่อ่อนแอถ้าว่าผมอ่อนแอผมไม่ถึงมันไม่มาถึงจุดนี้ได้มาไหนวก ท่านทั้งหลายนะคิดดูนะที่ผมพูดให้ฟังต้องเอาชนะตนเองให้ได้ชนะกิเลสภายในใจของเราให้ได้ชนะความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้ได้ถ้าไปงั้นเป็นบ่อยของมันตลอดอนันตกาศถ้าปัญญาของเราไม่ทบทวนไม่พิจารณาให้ทีทวนแล้ววันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะ มีอะไรไหมมีใครสงสัยจะถามตรงไหนไหมถ้าไม่มีถามเลือกกัน